และชาวกาลามะยังรู้ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นทมกลางและที่สุดซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อยกจ่องประธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อ่าาโดยสรุปหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สามชั้นชั้นแรกก็คือศีลและศีขา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 ที่ทรงใช้พยัญชนะเป็นสื่อของความหมายเนี่ยพุทธศาสนิกชนจะต้องศึกษาเข้าใจในรูปของอัฐะว่าคำนี้ที่ท่านใช้นั้นโดยอัฐะมันหมายความว่ายงงอย่างไอยังยกตัวอย่างเช่นคำว่าเมตตาหรือคำว่ากรุณาเป็นต้นซึ่งมี็นคำพื้นๆเราก็ต้องดูในรูปของอัฐะ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 จะต้องเป็นความรู้เห็นถึงการความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายคำมันก็เหมือนกันตัวพยัญช น, ะ, นะเหมือนกันแต่ตัวอัฐะมีความเข้มข้นที่แตกต่าง ก, กันคือขอบข่ายของทอยคําได้ครอบคลุมเนื้อหาไว้มากมากกว่ากันหรือว่าอย่างคําว่าอุเบกขาที่เรามักจะแปล ก, กันว่าวางเฉย จะอยู่ในที่ต่างๆในพระพุทธศาสนาถึง10บแห่งด้วยกันในแต่ละแห่งบางทีก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นการมองปัญหาในแง่ของข้อเท็จจริงเช่นยามที่คนประสบความพิบัติเพราะการกระทาของเขาเองเป็นความผิดพลาดของเขาเองเราก็ควรจะทำใจให้สงบโดยหลักของกรรมคือถือว่าคนเราก็มีกรรมเป็นของของตน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 ท่านผนี้บำเพ็ญเพียรมาเจริญวิปัสนาเห็นไตรลักษณ์เดินมาเรื่อยเสร็จแล้วจิตมันตกบูดหายไปเป็นธรรมดาทุกทีเลยระดับจิตมันขึ้นสูงแล้วก็ตกบูดระดับจิตขึ้นสูงตกบูดลงต้นหลอดไม่ทราบตะกีบปีมานอะขึ้นไม่ถึงสักทีนละก็คล้ายๆกับว่าเวลาเรานั่งทํากรรมฐานเนี่ยใจน้อมเข้าไปจะสงบเป็นสงบปัจจวบนจะสงบปอดเริ่มตั้งหน่อยเดียวกระตุกกลับ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 คือความคิดตรงนี้อย่าลืมว่าตอนนั้นท่านเป็นปุถุชนแล้วก็ท่านคิดแบบปุถุชนคิดพอเสร็จแล้วเจริญกรรมฐานบรรลุไปจนถึงวิปัสสนาจริงแต่แล้วบรรลุอรหัตนิพพานพอดีไม่ได้เฉือนมไม่ได้เชิญคอหรอกอายุทันสิ้นพอดีตอนนิพพานมานก็เที่ยวสแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของท่านไม่เจอ เพราเห็นว่าเมื่อก่อนความคิดของท่านก็คิดแบบแบบอยู่ในอำนาจของมารคือจะฆ่าตัวตัวตายเนี่ยก็คิดแบบมารกระซิบเลยแต่พอท่านบรรลุไปแล้วปรากฏว่าหาปฏิสนธิวิญญาณใม่เจอคือไม่รู้ไปเกิดที่ไหนก็ปลอ n ตัวเข้ามาเป็นเป็นพราหมณ์นะฮะมาถามพระพุทธเจ้าว่าท่านโคตรที่กะไปไหนไปเกิดที่ไหน พระพุทธเจ้าบอกว่าคนอย่างเชิญนี่หาที่ปฏิสนธิของโคติกาไม่เจอมารนก็เสียใจบังหวนเป็นกลุ่มเมฆลอยไปแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งแก่ภิกษุด้วยประโยคคาถาสั้นๆ ส, ส, สองบรรทัดนะแต่ว่าในเชิงการปฏิบัติแล้วถึงนิพพานเลยทรงใช้คำว่าเตสังสัมปันนาศีลาหนังอัปปมาดวิหารีหนังสัมมะดัญญาวิมุตตาหนังมารโหมังนบินตจิท่านนั้นนะ ก็คือปรารบการแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของมารแล้วเมื่อมารไม่ประสบก็ทรงแสดงว่ามารเมื่อแสวงหาอยู่ย่อมไม่พบผลทางของเตสังสัมปันนาสีลนันของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลอปมาดะวิหารีนางมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทสมะดัญยญวิมุตตานางจิตหลุดพ้นเพราะรู้ชอบสมฝ่ายนะั้น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 ก็มีอยู่สองยอดสรุปว่ายอดของกุศลก็คือความไม่ประมาทยอดของอกุศลก็คือความประมาทเพราะงั้นทรงใช้แทนที่จะใช้คาธรรมดาทรงใช้คำว่าอัปมาดวิหารีนางไม่ปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นก็มีอยู่สองชั้นนะฮะแสดงไว่เป็นสองชุดที่จริงก็มีสามชุด โดยทั่วไปโดยหลักกว้างก็ส่งแสดงว่าไม่ประมาทในวัยในชีวิตแลนะในความไม่มีโรคมีชุดหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าชีวิตของเราวัยหรือวัยนี้แปลว่าเสื่อมนะฮะว่าจริงเราแปลว่าเสื่อมแต่ก็เรา เ, าเรียกอยู่สองช่วงช่วงแรกเราถือว่าเป็นความเจริญวัยทางๆ ท, ที่ว่าเป็นความเสื่อมที่รูปเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้น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 อย่างเห็นว่าคนบางคนเป็นคนร่ำรวยมีบ้านช่องใหญ่โตบทจะตายมาตายริมถนนนี่เด็เพราะเราไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่การตายมันแฝงอยู่กับชีวิตนั่นเองท่านยังสอนไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังมีกําลังร่างกายแข็งแรงอะไรแต่ไรเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็ในตัวชีวิตเองท้งสแสดงลักษณะชีวิตก็เหมือนกับอะไรถ้าพูดอุปมาในปัจจุบันก็เหมือนกับไอรถที่เขานํา ไปโคไปส่งรงฆ่าสัตว์แต่สมัยพระพุทธเจ้าแม่โอุปมาอย่างนั้นอุปมาเหมือนก็โคนายโคบานต้องต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากิจทุกย่างก้าวที่โคก้าวไปมันก็แสดงว่าใกล้ใกล้จะฐานที่นั้นเข้าไปทุกขณะชีวิตของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นความเกิดก็ส่งมาสู่ความแก่ความแก่ก็ส่งไปสู่ความตายแต่ความตายแก่ก็แฝงมากับความเกิดแก่จะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไหรเราก็ไม่รู้ก็สรงสอนแม่โรปมาในชุดนี้ ในช่วงต่อไปก็คือในความไม่มีโรคทั้งหลายจะเห็นว่าโรคภัยค่าเจ็บในปัจจุบั น, นมันรุนแรงนะฮะบางทีคนอยู่ดีๆเอามาพฤษจับปั๊บเดียวได้เรื่องไลเอามาพลาดหมดทั้งตัวซึ่งเราไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไรดังนั้นอาศัยฐานความเข้าใจชีวิตคือไม่ประมาทในสามช่วงนี้แสดงออกมาให้ได้ในเชิงความไม่ประมาทอีกสองชุดที่ทรงแสดงไว้มาก ก็คือในการละทุจริตทางกายทางวาจาใจนะครับคืออย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆอย่าถือว่าเล็กไม่เป็นไรทุจริตนิดๆหน่อยแล้วก็ไม่ประมาทในการที่จะบําเพ็ญสุจริตคือจะเล็กๆน้อยๆก็เอาไปเลยในข้อนี้ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าคนไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลหรือบุญมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะว่าฝนเนี่ยมันก็ตกลงทีละยา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 คือก่อนจะตายมันเกิดสัมมาทิฐิขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นมัทธกุลตลีเทพบุตรตลอดชีวิตมันก็มีพ่อเป็นวิชฉาทิฐิจะตายแล้วประงับประ ง, งับอย่างนี้นะฮะพระเจ้าเสด็จมาโปรดเปล่งรัศมีฉายแสงเข้าไปดูแกหันกลับมายกมือไหว้ก็ไม่ไดนะ้ตอนนั้นจะตายแนละ้วมือยกไม่ขึ้น ท, ทําจิตเริ่มสายอย่างเดียวมันเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นในขณะนั้นมันก็กลายเป็นตัวแปร ทำให้ไปเกิดในสุกติไดอันนี้มันก็ไปยุติด้วยหลักที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตเศร้ามหมองก็หวังได้ว่าไปเกิดในทุกขติเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปเกิดในสุกตินี้ก็คือหลักที่ทรงแสดงฉะนั้นตัวสมาธิฏฐิเนี่ยอย่าประมาททีเดียวว่าคือมิจฉาทิฏฐิก็อย่าประมาทต้องรีบละสมาธิฏิก็อย่าประมาทต้องรีบสร้างให้ขึ้จะเป็นหลักคุ้มครองใจได้ทีนี้อีกชุดหนึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ ทรงแสดงไว้สี่ข้อเหมือนกันคือระวังใจอย่าให้กำหนัดกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคือรูปเสียงกลิ่นรสที่ใจเราไปกำหนดว่าสวยงามน่าค่ายน่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยถ้าใจเราไปกำหนัดมันก็เพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นปริมาณมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองซึ่งก็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 อะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องยึดหลักของโยนิสูมนศสิกายนือทำใจโดยวานแยบคา ย, ายวิเคราะห์พิจารณาไปแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออย่าให้มัวเมาในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาซึ่งก็หมายถึงว่าทั้งหลงทั้งประมาทถ้าถึงกับมัวเมามมกมุ่นอยู่ในเรื่องนั้นๆซึ่งเราจะเห็นว่าชีวิตของคนเราบางครั้งถ้าพอหลงพออยังชั่วหน่อย ก็ตกกลับได้ถ้ามัวเมาแล้วมันมันมันบวกมันบวกไปเลยทั้งไอตัวสติก็อ่อนแล้วตัวปริมาณความหลงก็เพิ่มความไอปริมาณความประประมาทมันก็สูงขึ้นเอ่อเหล่านี้ท่านจะเห็นว่ามันต้องอยู่ปกติต้องใช้คำว่าอัปปามะวิหารีนะคือมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วข้อสุดท้ายก็สามารถดัญญาเมืษษษ่อตานังจิตหลุดพ้นพระรู้ชอบ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 ท่านโคจิกะท่านไม่มีคุณธรรมเหล่านี้มาก็ต้องหาพบหากำเนิดพบกำเนิดในที่ต่างๆแต่ว่าพอดีท่านเกิดบรรลุเป็นบรรลุอาราหัตเป็นพระหันมานก็หาไม่พบจึงหมายความว่ามาณประเภทที่เรียกว่าเป็นเทวบุบตเทวปุตตมา น, น่ะมีจริงๆนั้นอย่างนี้แล้วก็มีตัวปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นกลุ่มของกิเลสกลุ่มของกรรมนะฮะแล้วก็วิญญาณ3าอย่างจะต้องไปถือกาเนิด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 พรหมจรรย์ในศาสนาจึงมี10อย่างนะอย่างแรกซึ่งออง่ายที่สุดนี่ภายในครอบครัวเราในครอบครัวพรหมจรรย์ได้สามีมีความจงรักเอ่ยมีแต่เขาไม่นอกใจภัญญาเป็นพรหมจรรย์เขาเรียกว่าสถารสันโดษปัญญาไม่นอกใจสามีเรียกว่าปฏิวัติคือจงรักภักดีในสามีก็เป็นพรหมจรรย์นิชั้นหนึ่งก็ถือว่า ง, ง่ายที่สุดในชีวิตชาวบ้าน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 ประการต่อไปก็คืออะไรคือฐานการให้ยากขึ้นหน่อยการบริจาคอย่างที่ว่ามาแล้วก็เป็นพรหมจักรเบีร์ยาวัจจะไม่ช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบซึ่งเป็นบุญประการหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์เป็นพรหมจักรแต่มีข้อแม้ว่าต้องช่วยเหลือเฉพาะในกิจการงานที่ชอบนะไปช่วยลําเลียงฝินไปดูต้นทางก็ขายฝินไม่เอานะไม่ได้เป็นพรหมจักรคือเอาเฉพาะในทางที่ชอบเท่านั้น ประการต่อไปคืออะไรคืออัปปมัญญานะฮะก็มีสถารสันโดษคือยินดีในพัรยาสามีของการออของตัวเองนะงดเว้นจากไมถุนแล้วก็การให้ทานการช่วยเหลือขวนขวายใ น, านกิจการงานที่ชอบองค์แห่งอุโบสถอุโบสถศีลคือศีลแปดศีลอุโบสถที่ การสมาทานกันในวันพระก็เป็นพรหมจรรย์แล้วก็อะไรอัปปมัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เราแผ่ไปไปในศาสตร์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็เป็นพรหมจรรย์อีกระดับหนึ่งแล้วก็มาจนถึงอริยมรรณะเออศีลศีล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 พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระมรดจว้ยบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงนะฮะขบูลด้วยอัฏฐและพยัญชนะนี่ก็เป็นเป็นข้อที่จะเรื่องลือไปล่วงหน้าทุกผลทุกแห่งฮนะก่อนการเสด็จของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรท่านทั้งหลายได้ปรดเข้าใจนะไอลักษณะความสนใจของทางสังคมเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยกระพือชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า นคนสมัยนั้นก็สนใจในทางธรรมะในมากลักษณะของอินเดียเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะเเป็นอนั้ น, น, นแม้แม้ในปัจจุบันเนะี่ยปัจจุบันในกาลังเถท่านสาบ า, บากันเป็นการใหญ่ไปกันจังนะแล้วแม้แต่อะไรก็ตามนะคนอินเดียชอบฟังมากเลยเป็นคนชาติที่แปลกฮนะชอบฟังสนใจในเรื่องธรรมะฟังได้เป็น10 10ชั่วโมงนะแต่เวลาก็พูดเขาพูดได้ถึง1ิชั่วโมงเหมือนกันนะ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 ไม่ไดเพิ่มขึ้นเพราะมีคนเป็นพยานตัวความดีนั้นดีไปเสร็จจะอิงรูปะจะอิงนามาทำเพราะอิงนามาทำเนี่ยจะพร้อมทําความดีได้ทั้งต่อหน้าคนและหลังคนทั้งที่ตลอดมันดีไปเรียบร้อยแล้วนั่งกรรมาทานจะให้ทานจะรักษาศีลจะบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อะไรมันความดีก็เรียกว่าเพราะเห็นเอาวันดีอ่ะมันดีแล้วก็ทำใครยกย่องสรรเสริญใครจะนินทาตําหนิถ้าดีเราก็ทําก็รอยเงี้ย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 อยากจะฟังเทศจวนเพื้อนจนขูมาฟังเทศครั้งแรกก็ไปหาพระเร ว, วัตพรเร ว, วั ต, ตเป็นพระอาหารหันนะท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติพระอาหารหันที่ออกจากนิโรธสมาบัติยังติดในความสงบท่านไม่ค่อยชอบพูดเลยองเนี้เวลาท่านเทศท่านเทศอยู่สองประโยคกันเองเทศอยู่สองประโยคจงมีความสุขแล้วก็มีอายุยืน มีความสุขก็มีอายุยืนใกลไปก็ท่านเนี่นะมันก็หลวงพ่ออะไรที่ขอนแก่นนะอะไรก็ดีหน่อดีหนออยพูดอยนิดเดียวนั้นเองฮะจะทํายากนะดีหน่อนี่เอ า, าจริงมันทํายากอะทํายังไงจึงจะดีหนอได้นี่ก็ท่านบอกให้มีความสุขมีอายุยืนนะแล้วทํำยังไงจึงมีความสุขแล้วจะมีอายุยืนนะมันเอายากนะนี่ว่าท้าวบารหานะท่านพูดสั้นๆกันท่านอย่างเงี้ยเพราะงั้นพออตุเลา บ, บาลศกไปนี่เบอร์ในเทศท่านไม่เทศโกรธไม่เทศ โยกพวกไปหาภาษาดิบุตรไปบอกแม่ไปหาพระเรวัตพระเรวัตนี่น้องภาสาริบุตรนะไปหาพระเรวัตพระเรวัตไม่เทศสาราิบุตรเลยเทพภาษาดิบุตรเนี่ยท่านพูดก็เรียกว่าเร่งกับลูกชาวบ้านไม่ค่อยเป็นนะอนเทศแบบเจา้าคุณส ม, สมเด็จเราเนี่ยปั๊บปั๊ป๊เลยคือคือหลักทั้งหมดเลยเทพรีบอุบาสกฟังไม่ไหวเทศยาวด้วยอภิธรรม เทศยาวด้วยโอ้ยไม่ไหวเทศอะไรเทศยาวใครจะไปฟังท่านเยจับท่านโบนอีกไปหาพระอานนท์ไปบอกว่าพระไปหาพระเรวัตท่าก็ไม่พูดไปหาพระสาดีบุตรไมเทเธอติยาวจังเลยเทศเอภิธรรมฟังยากจังเลยพระานนท์บอกเอยเขาไม่พูดนี่ก็ด่าแล้วไปพูดมากก็ด่าอีกเลยท่านเทศน้อยโรถรเทศหม่ยังกระทองจะร่วมจากปากเลยนะเทศขี้เหนียวธรรมะเทศให้มากน้อยก็ไม่ได้ ไปฟองพระพุทธเจ้าเล่าลูกศิษย์ทั้งสามองค์ในมหามาไม่ได้เรื่องสักองค์หนึ่ในเรื่องสักองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็รัชสั่งว่าธุละนี่มันโบราณของโบราณคนก็ด่าได้ทั้งนั้นเนี่ยด่าได้ทั้งคนไม่พูดด่าได้ทั้งคนพูดมากด่าได้ทั้งคนพูดแต่พอประมาณแต่คนที่ไม่ถูกด่ามันไม่เนียไม่มีสมมุติว่าพระอานนท์ท่านจะขยับไปยาวนะฮะท่านก็หาว่าใหญ่อ่ก็ต้องลงว่า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 มีพระทุกวันนีท่านเป็นสมภารอยู่ที่วัดอุทยัยโพธารามท่านต้องการพิสูจน์อะไรสักอย่างท่านให้เด็กทำกับข้าวอย่างดีเลยแล้วก็เรียกเด็กที่วัดมาชิมมาชิมอันนี้ยอด น, นั่นไปออาเติมเติมเติมพอเรียกคนอื่นมาชิมเอาหยอนนั่นไปการนั่นไปก็เติมกันจนว่าแกงนั่งกินไม่ได้เลยทุกคนต้องเติมแลวทุกคนติดได้หมด แล้วท่านก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยเราจะตามคนเนี่ยไม่ได้ถ้าตามคนแลเลยก็ไม่ต้องกินกันเลยแต่จะเรายุติท่าคนเราต้องอวินยุชนแต่ชั้นการอุดมการ์จริงๆนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการให้ทานนี่ดีแล้วให้รักษาศีลนี่ดีแล้วรักษาเพราะเห็นพระหา น, นี่ดีแล้วก็ไปกวางสมาธินี่ดีแล้วก็ปฏิบัติไม่อิงรูปธรรมเลยไม่อิงรูปธรรมไม่ว่าใครจะว่าอะไรแต่ไรช่างเขาเราไม่รับรู้ มันจะอยู่ในจุดที่เราเรียกอะไรครปิดทองหลังองค์พระได้ทําความดีได้ทั้งต่อหน้าคนรับหลังคนเบ้นความชั่วได้ทั้งต่อหน้าคนในรับหลังคนเพราะเราไม่ได้อิงรูปธรรมแต่เราจะอิงนามธรรมนี่คือแนวความคิดที่เราถือว่าเป็นอุดมการณ์ของคนที่ปฏิบัติความดีจะต้องไต่อันดับขึ้นมาจนถึงจุดนี้นะฮะพอถึงจุดนี้แล้วท่านจะเห็นว่ามีความปร่งเบาสบายมากเพราะเราไม่สนใจใครใด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 โคดไม่ว่าพราหมณ์หรือกษัตริย์ก็ตามมันจะมีโคดเป็นเครื่องหมายว่าโคดสูงหรือไม่สูงเช่นพวกพราหมณ์เนี่ยมีโคดแยะโคดที่สูงที่สุดของพราหมณ์ก็คือธนัญชานีโคดเดี๋ยวก็บอกว่าเกิดมาจากกระหม่อมของพระพรบุกษัตริย์นี่ก็คือคือโคตมโคดเป็นวงที่สูงสุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายประกาศชื่อโคดเนี่ยก็แสดงก่าเบ่งหน่อยนะฮะเบ่งหน่อยเพื่อแสดงมาฉันก็ไม่เบานะ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 เชื่อชูวัฒนของตัวแล้วก็เหยียบวัฒน์กว่าหนึ่งอีกอะตกลงว่ามันสับสนหมดชาวกาลามะเองสับสนหมดโดยแกบอกว่าแกไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะมันพูดน่าเชื่อทั้งนั้นเลยไอคนก่อนวันก่อนนี่มาเนี่ยเพูดน่าเชื่อแต่พอมาถึงอีกคนหนึ่งมาล้มลางวาทะนั้นหมดแล้วก็เชื่อชูวัฒนของตัวเองก็น่าเชื่ออีกอะพออีกคนมามาถึงก็บรรล้มของคนก่อนแล้วก็เชื่อชูวัฒน์ก่าหนึ่งก็น่าเชื่ออีกตกลงมันสับสนหมด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 ไม่เถ็ดบอกอเออพวกเธอสงสัยถูกแล้วความสงสัยของพวกเธอในเป็นการสงสัยในเรื่องที่ควรสงสยัยแล้วก็เสร็จแล้วกาลามทาทั้งหลายพวกเธออย่าเชื่อโดยฟังตามกันมาอย่าเชื่อโดยฟังสืบๆกันมาอย่าเชื่อว่าเป็นของเก่าอย่าเชื่อโดยการตรึกนึกเอาเองอย่าเชื่อกันโดยคาดคะเน อ, อย่าเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการนะะ ก็เห็นอาการแล้วก็ก็น่าเชื่อคือบางทีมันไม่น่าเชื่อเราจะเห็นว่าบางทีคนที่ทําประโยชน์เพื่อตัวเองอย่างใกล้ๆกับไอ้นา ย, า ย, า ย, ายนพรานที่ต้องจะจับสัตว์เนี่ยมันลักษณะสงบเสงี่ยมยิ่งกว่าพระเลยนะครับเข้มสงบเสงี่ยมนั่งนิ่งเลยนะเต้นมันจ้องจับสัตว์นะนายพรานจ้องจับสัตว์ในสงบเสงี่ยมไหวไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ เช่นพวกไปต่อ น, นอกเขาอะไรนี่นั่นจะเห็นว่าคนนิ่งเลยนะสงบเสงี่ยมถ้าเราดูตามอาการโอ้โหคนนี้เคร่งจังเคร่งจังแต่ไม่รู้ก็มันมีลักษณะดูอาการเอาไม่ได้เราต้องรู้อย่างอื่นด้วยฮะตึกนึกก็ตารรมอาการก็ไม่ได้หรือว่านึกเราออกก็ไม่ได้หรือว่าเออไอคนนี้มันพูดตรงกับความเห็นเราไ อ, อความเห็นเราไม่แน่มันถูกหรือเปล่าพอใครมาตรงกับเราเราถือเออถูกถูกต้องแล้วก็ไม่ได้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 แรื่งหนึ่งคือประสบการณ์ตรงหมายความเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ตึกนึกด้วยใจเราเชื่อถูกต้องยุติไหมไม่ถูกต้องนะว่าจริงมีบ่อยไปที่เราเดินกลางคืนบางทีไปเหยียบเอาเชือกนึกวังงูก็ขนาดสัมผัส ด, ด้วยตัวเองยังยังผิดเลยยังผิดเลยฮะมองคนไกลๆไปทักก็ผิดก็แสดงว่าตาเราก็จริงมาใช้ไม่ได้ แม้แต่ประสาทสัมผัสเองนั้นเรายอมรับแหล่งความเชื่อแต่ไม่ใช่ปรองใจลงไปเลยเพราะอะไรเพราะเราดูตามอาการเนี่ยไม่ได้หรือว่าตัดสินโดยประสาทสัมผัสไปได้จะต้องผ่านข้าวโยนในสมนุษย์การหมดได้จะต้องนํา ม, มาวิเคราะห์หมดเลยนี่คือประสาทสัมผัสนะฮะเาเรียกประจักรประมาณคือโดยการประจักรเป็นแหล่งความเชื่ออีกแหล่งหนึ่งแต่ไม่ใช่รับทั้งดุล น, นะฮะไม่ใช่รับทั้งดุนจะต้องนํา ม, มาย่อยแหล่งหนึ่งก็คือแหล่งเขาเรียกว่าอนุมาณ อนุมานเอาก็เช่นสมมุติว่าคนนี้หน้าตายิ้มแจจย้มแจ่มใสเราก็ว่าเขาเขาใจดีครับพออนุมานเราได้แต่ไม่แน่นะะบางทีไอ้คนหลอกขายพระขายอะไรตัวอะไรโอ้มันดีจังกันนะหน้าตาดีจังกัน <c oughs> แต่เสร็จ แ, แล้วมันก็หลอกเขาแย่ไปนี่เมื่อวันก่อนนี่อะไรเป็นหลอกก็ตั้งเท่าไหร่เมื่อเช้านี่เมือม่อเมื่อคืนวานนี่เองที่เขาลงข่าวไอ้วิทยุมาออกว่าไปหลอกต้มขายพระตั้งเท่าไหร่สี่แสนกว่าของพระเก่าโบราณอะไรตัวอะไอย่างนั้นไง เมื่อพูดหวานพูดเพราะหน้าตาเป็นมิตเดียอนุมานเอาอนุมานก็เป็นแหล่งความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความมารยอมรับทั้งหมดเหมือนกันอนุมานเอาเช่นอะไรฮะตามปกติเราเราเคยเห็นถ้าถ้าถ่านนเปียกแล้วก็ฝนตกเรานอนหลับตื่นขึ้นมาเห็นทนนเปียกเราอนุมานเอาฝนตกแต่ไม่แน่บางทีเทศบาลมาฉีดก็ได้การฉีดก็ไแต่ก็ถือว่าเป็นแหล่งความเชื่ออย่างหนึ่งฮะที่จะนํามากรั้นกรองได้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 ใช่ไหมอาจารย์เบอกว่าใช่แล้วก็ท่านผู้รู้ติตเตียนให้ไหมใช่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ควรเว้นหรือควรผลิตเขาบอกควรเว้นแต่ท่านทั้งหลายลองดูนะฮะว่าโทษของปาณาทิบาตินนาธานกามเมสุมิชาจารโทษของความโลภความโกรธความหลงกาลามาทาไมจึงตอบได้ก็เพราะแกได้ยินได้ฟังมามีคนแนะนำสั่งสอนก็แหล่งความเชื่อมากจากสิบแหล่งนั้นมาจากสิบแหล่งนั้น เราพูดแต่เจ้าคล้ายๆกับลักษณะอะไรคล้ายๆกับพวกนี้แบกแบกไว้แล้วก็ปรงมาหยิบดูมันอะไรที่ว่าใช้ได้คล้ายๆถือเข่งใส่ของเย่านี้แล้วก็ไม่เอากินสักทีหนึ่งก็วางเข่งลงมาดูสิอะไรมันกินได้อะไรกินไม่ได้ก็หยิบของในเข่งนั้นเองไม่ได้หยิบมาจากอื่นเลยนะฮะเสร็จแล้วก็มาสรุปเรื่องไม่ควรเชื่ออีกสิบข้อเ น, นี้ยยกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะยกอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็ยกเอา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 ใช่หมายแกก็บอกว่าใช่เนี่ยคือเราจะเห็นว่าก็ยกเอาสิ่งที่เราได้ยินในฝั่งนั้นเองมาวิเคราะห์อีกทีแล้วพระเจ้าก็มาสรุปอีกทีวันเนี้ยเราจึงกล่าวว่าไม่ควรเชื่อเพราะเหตุอย่างนั้นสักว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่า ง, งนั้นว่ามาตลอดแต่ว่าไอหยิบสิ่งเหล่านั้นมาคิดมาใถ่ค ร, รวญพูดง่ายๆว่าเขาส่งผลไม้มาโลกหนึ่งนี้ฮะมาให้เรากินนะแต่ไม่ใช่เรากินได้ทันทีก็ต้องงมีวิธีกินนะ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 ไม่ใช่สี่ข้อนี้คือเออมตตากรุณามุติต า, าเบกขาแล้วถ้าหากว่านะถ้าหากว่าผลบุญผลบาปผลบุญผลบาปนี่ไม่มีคือหมายความว่าถ้าหากวันนรกสวรรค์ไม่มีนะพูดง่ายๆอย่างนั้นจะได้ความอุ่นใจทงใช้คําว่าความอุ่นใจในเราเราจะได้4อย่างแต่โดยสรุปสองอย่างนะฮะโดยสรุปสองจากหมายความว่าปลากรอบเรื่องกรรมเนี่ยชุดหนึ่งปลากรอบเรื่องเออสวรรค์นรกนี่ชุด ให้เรามีจุดยืนอยู่ที่การทําดีแล้วไอ้ตัวทําดีในที่นี้ต้องยกไม่ตายกรูณาโมทิตาเวรขาขึ้นเพราะถ้าเรากระทําความดีแล้วสมมติว่านรกสวรรค์ไม่มีนะสมมติว่านรกสวรรค์ไม่มีชาติหน้าไม่มีเราตวจดูแล้วเราไม่มีเวรมีภัยก ใ, ใครในปัจจุบันเพราะเราไม่ได้คิดร้ายใครเลยเราก็อยู่สบายในเรื่องนี้สมมติว่านรกสวรรค์มีเราตายไปเกิดสวรรค์ ตาไปเกิดสวรรค์ฮะเพราะ ง, งั้น เ, เราจะเห็นว่าในแง่ที่เรามีจุดยืนอยู่ที่กุศลกรรมโดยไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งประเด็นนรกสวรรค์มีไม้พรมโลกมีไม้ยุ่งเปล่าเสียเวลาเอาเฉพาะปัจจุบันนี่ฮะตัวปัจจุบันจะเป็นตัวกําหนดมันเองถ้าเรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทําดีสมมตินรกสวรสด์ไม่มีเราก็ไม่ตกนรกเราสบายในปัจจุบันถ้านรกสวรรค์มีเราในปัจจุบันเราก็ไม่เดือดร้อนนะฮะ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 ถ้าผลบุญผลบาปมีก็ตกนรกแล้วก็เดือดร้อนในปัจจุบันเดือดร้อนสองต่อนะฮะในชาติปัจจุบันเราเห็นได้แล้วก็ท่านรกสวรรค์มีตายไปตนนรกอีกเสียสองต่อถ้าหากานารกสวรรค์ไม่มีผลบุญผลบาปไม่มีนะฮะบุญผลบาปความมีนรกสวรรค์ก็ไม่มีเราก็เดือดร้อนในปัจจุบันเราก็เห็นกันอยู่ในคนฆ่าสัตว์รังทรัพย์และพืชปิฎกรมก็เดือดร้อนในปัจจุบัน ก็สอนให้คิดเอาแต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมองกันให้ตลอดสายว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อแต่ให้นําสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาย่อยนํามาพินิจพิจารณาเท่านั้นเองนี่คือหลักของกาลามาสูตรพอทรงแสดงเสร็จชาวกาลามะบกโอ้ไพเราะยิ่งพระพุทธเจ้าข้าเพราะไม่เคยเจอเท็จแบบนี้คือเท็จแต่ให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อเชื่อเชื่อเชื่ออ้นี้ไม่ให้เชื่อแต่ให้คิดให้คิดนะ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 ก็เหมือนกับไอ้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พ่อมันประพฤติผิดศีลในสามข้อแรกนี่มากนะพ่อเขาบอกเราไปฟังเทศฟังพระเจ้าเทศสะบ้างไอ้หนุ่มนี่ไปก็พอดีได้จังหวะพอดีพระกําลังเทศจังศีลหการฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดในกรมก็ดีแกได้ดี3าดีวิ่งกลับบ้านน่ยพอพ่อพ่อพที่ผมทำในพระว่าดีสักนั้นนไงไอ้นี่เขาเรียกฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดปัญหาที่นํามาอ้างกันจึงสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมมากที่สุดคือการลามสาส ตัทงทางที่เป็นประโยคที่ทรงสดแสดงขั้นของการใช้ปัญญาแล้วก็เป็นประโที่มีกฎมีเกณฑ์นะฮะไม่ได้ไ ม, ไม่ได้หมายความปฏิเสธเลยคนนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้เถอะฮะพระไตรปิฎกก็เชื่อไม่ได้ใครแนะนําอะไรเชื่อไม่ได้หมดเลยจะเชื่ออะไรปัญปัญหาว่ารับมาฟังเขาส่งผลไม้มาเราก็ดูเออมันจะกินยังไงอาหารนี่กินยังไงฮะแต่ก็กินอาหารนั้นแหละอาหารที่ก็ส่งมาให้นะมันกินยังไงกินให้เป็น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 นี่ก็เรื่องการละมัสูตรนะวันนี้ก็เลยเวลาไปหน่อยพนระสูตรตอนต่อไปลักษณะของพระสูตรนั้นจะขึ้นต้นโดยคำว่าเอวเมสุตังถึงแปลว่า <Yeah. S 2> พระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นที่นั่นมีคนเหล่านั้นมาเฝ้าหรือว่า เรียกวิสูุทั้งหลายมาแล้วทรงแสดงธรรมเป็นต้นคำว่าเอวเมสุตังแปลว่าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นั้นหมายถึงว่าพระานนท่านเป็นคนทรงจำเรื่องพระพุทธวจนะทั้งหมดเอาไว้เพราว่ากันตามความจริงพระานนท์ก็บวชในตอนหลังประมาณสักปีหลังพระพุทธเจ้าสัสรูแต่ว่าเมื่อท่านบวชมาแล้ว ธรรมะข้อใดที่รู้เจ้าทรงแสดงก่อนแต่นั้นคือก่อนท่านบวชท่ทานก็ไปเรียนจากพระเหลาอื่นแล้วต่อมาเมื่อท่านรับเป็นพุทธอุปถากคือสมัยก่อนนั้นภิฆูรที่อุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยคือรับใช้นะพระที่รับใช้พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนกันไปบางครั้งบางคราวพระไม่ค่อยใส่ใจก็ปล่อยทิ้งพระพุทธเจ้าเอาไว้ก็มีปัญหาในที่สุด คณสงฆ์ก็ลงมติให้ปราณนลรับหน้าที่อุปถักต์พระพุทธเจ้าตลอดไปปราณนลก่อนที่จะรับหน้าที่ท่านก็ขอพอรแปประการด้วยกันพรข้อสุดท้ายซึ่งเราถือว่ามีประโยชน์มากคือขอว่าพระพุทธเจ้าจะไปเทศที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าท่านไม่ได้โดยเสด็จด้วยก็ขอให้พระพุทธเจ้ากลับมาเทศแนละท่านฟังอีกทีนะึง เพราะงั้นทำให้พระธรรมเทศนาทั้งหมดเนี่ยท่านจำได้ทั้งหมดซึ่งการจำนั้นท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงจำได้แต่ที่จริงพระสูตรจำไม่ยากในถ้าหากว่าเราเข้าใจในเนื้อหาสาระคือพยายามจับประเด็นให้ได้แล้วก็จำเฉพาะหัวข้อตอนใดตอนหนึ่งเอาไว้และในที่สุด หัวข้อตอนอื่นมันก็เปลี่ยนกันเพียงไม่มากมายอะไรประสูรมีทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นหมื่นๆมื่นเป็นหมื่ น, น, นระสูรแต่เฉพาะที่เรียกว่าสุดตะเนี่ยสุดมากจะขึ้นอย่างนี้พระคาสอนพระพุทธเจ้ามีทั้ง8ปลักษณะไอ้เลักษณะด้วยกันเฉพาะลักษณะที่เป็นสุดตะจะขึ้นด้วยคำอย่างนี้หรือว่าพระนิน์ได้บอกแก่พระสงฆ์ในที่ ประชุมสังคารนาพอบอกแล้วคณนะสงฆ์องค์องื่นท่านก็จํำมาไว้เมื่อพระนลแสดงไปเสร็จพระสงฆ์ท่านก็สาธยายขึ้นพร้อมกันถ้าทุกรูปที่สาธยายลงกันถือว่าพระสูตรนี้ก็จํามาถูกต้องหรือต่างคนต่างก็จํากันมาคนละทิศละทางนะฮะแต่ว่าเมื่อมาสอบทานกันต้องลงกันถ้าไม่ลงกันก็ต้องหาข้อยุติที่เราเรียกว่าสังคารนาคำว่าสังคารนาคือขับ คือขาดือสวดรพร้อมพกันนะ่ะพูดง่ายว่าสวดรพร้อมพร้กันอย่างที่เราสวดมนต์นี่แหละแต่ว่าเป็นการทำที่มีระบบคือตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการสอบทานพระไตรปิฎกพระพุทธวจนะของพุทธเจ้ากันและเฉพาะพระสูตรที่จะกล่าวในที่นี้วันก่อนนั้นเาจะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นพระสูตรที่แสดงโดยอัธยาศัยของคนอื่นคือเป็นการแสดงตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะเพราะชนชาวกาลามะเขามีปัญหา ที่เกิดความสับสนในด้านความเชื่อว่าแกจะเชื่อใครดีเนื่องจากคนแสดงก็แสดงกันสับสนไปหมดและต่างคนต่างก็ยกวาฏทะของคนอื่นของตนเองขึ้นมาเชิดชูแล้วก็ข่มกีวาถะของคนอื่นรู้เจ้าก็สรงแสดงธรรมะในลักษณะที่คอยตามค่อยตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะแต่ประสูตรนี้เป็นการแสดงโดยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเอง เป็นพระสูตที่เราสวดกันแพร่หลายเรียกว่าสารานิยธรรมสูตรคือพระสูตอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันรุ่เจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอันเป็นอารามของอนาธบินทิกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้านั้นประทับที่พระเชตวันนี่มากที่สุดคือถึง19บารษา ที่บุภารามซึ่งเป็นเมืองสาวัตถีเปอนการนงวิสาขาสร้างถวายก็6พันษาพราะัานประทับอยู่ตั้ง25่าพันษาที่เมืองสาวัตถี